ที่ประเทศอเมริกามีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะจำนวน9คนอายุตั้งแต่ 50-70 ถึงนะกิจวัตรประจำวันนะของผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยที่ทำเป็นประจำเนี่ยก็คือตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็ไปช่วยกันทำขนมเคก้กเสร็จแล้วก็พากัน ไปบ้านของคนที่เขากําลังมีความทุกข์เดือดร้อนอาจจะเป็นคนที่พึ่งสูญเสียสามีสูญเสียลูกหรือคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเพราะว่าแยกขาจากสามีหรือว่าคนป่วยก็จะเอาขนมเค้กแล้วก็เงินจํานวนเ ล, เล็กๆน้อยๆ น, นี่ ไปวางไว้หน้าบ้านแล้วก็รีบกลับบ้านนะก่อนสว่างก็ทำเงี้ยแบบเงียบๆ เ, เนี่ยมานานทีเดียวนะบอกว่าทำไปทำมานี่ททำอย่างเงี้มาแล้วนี่สามสิปีนะโดยที่ไม่มีใครรู้นะนอกจากสมาชิกในกลุ่มนี่เ้าคนแม้กระทั่งสามีหรือลูกๆเนี่ยก็ไม่รู้นะ ว่าภรรยาหรือแม่งตัวเนี่ยไปทำอะไรมานะเพราะว่ากิจวัตรเนี่ยเนี่ยทำก่อนที่คนในบ้านจะตื่นแต่ตหลังนะความก็แตกนะออนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะน่าประทับใจมาก ทำความดีนะโดยที่ไม่บอกให้ใครรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับความดีนั้นหรือได้รับความมีน้ำใจนั้นหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวในความเป็นมาของเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะมีวันหนึ่งเนี่ยนะผู้หญิงในกลุ่มเนี่ยก็กำลังเล่นไพ่กันนะ การเล่นไพ่มันก็เป็นงานดิเลกนะของแม่บ้านจำนวนมากนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะระหว่างที่เล่นไพ่เนี่ยก็มีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยพูดถึงยายของตัวที่ช่วยเลี้ยงดูตัวเองมาหลังจากที่แม่เสียชีวิตและยายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจมาก เวลาได้ข่าวว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนเสียชีวิตเนี่ยแกก็จะทำขนมเค้กอย่างดีเลยนะเอาไปให้แล้ว ก, ก็ให้กำลังใจโดยที่คนที่ไปหาเนี่ยหรือเอาของไปให้เนี่ยยายไม่รู้จักเลยเพียงแค่ได้ข่าวอาจจะเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ หรือมีคนบอกไม่รู้จักเขาแต่ก็รับรู้ถึงความทุกของเขาอยากช่วยนะก็เอาข น, นมเ ค, ค้กไปให้แล้วก็ไปให้กำลังใจพอเล่าเสร็จนะก็มีคนในกลุ่มที่บอกว่าทำไมเราไม่ทาอย่างนี้บ้างละ่ะนะนึกถึงความดีของยายแล้วก็อยากจะสืบต่อความดีของยาย ก็เลยเห็นพ่อต้องการเออเราน่าจะทำแบบนี้บ้างก็เริ่มต้นนะง่ายๆนะปกติทุกคนเนี่ยก็จะมีการเอาเสื้อผ้านี่ไปซักรีด ก, ก็จ่ายค่าซักรีดตอนหลังก็บอกว่าเนี่ยเราก็ซักรีดเองสิและเงินที่ได้หรือเงินที่ประหยัดอดออมเนี่ยก็เอามารวบรวมกัน แล้วก็เอาไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนก็ตกลงทํากันนะก็ได้เงินประมาณเดือนละสี่ร้อยดอลลาร์นะก็เป็นหมื่นนะเมื่อสาสิปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะเอาไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนเงินก็ไม่มากนะแต่ว่ามันก็สำหรับคนที่เดือดร้อนนี่เช่นคนที่เป็นแม่ไม่คนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคนที่ยากจน นะมันก็ไปช่วยค่าน้ำค่าไฟหรือช่วยคนะ่าใช้จ่ายที่สำคัญได้บ้างพอรู้นะว่ามีบ้านไหนเขาเดือดร้อนเนี่ยนะก็จะนัดกันไปนะอย่างที่ว่านะตื่นในเช้ามืดทำขนมเค้กสูตรของคุณยายนะเพราะว่าได้คุณยายเป็นแรงบันดาลใจนะแล้วก็เอาขนมเค้กแล้วเงินจำนวนเล็กๆน้อยๆ ไปวางไว้ที่หน้าบ้านแบบไม่บอกเจ้าของบ้านนะทำแบบซุ่มๆลับๆล่อๆก็ได้นะแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ว่าเนี่ยรักนะเป็นห่วงนะนะตอนหลังเนี่ย เ, เงินที่อกออมเนี่ยอดออมมันก็ได้มามากขึ้นก็สามารถจะช่วยคนได้มากขึ้นนะก็ทาเนี่ย อาจจะไม่ได้ทำทุกวันนะแต่ทำเป็นกิจวัตรทำกันมา30ปีอันนี้ก็น่าทึ่งนะทำอย่างต่อนเนื่องเนี่ยไม่ขาดตอนเนี่ยมา30ปีและที่สำมัญก็คือว่าทำเงียบเงียบไม่บอกใครไม่บอกคนที่ตัวเองไปช่วยแล้วก็ไม่บอกเพื่อนๆนไม่บอกคนในบ้าน คนจำนวนไม่น้อยเวลาทำความดีเนี่ยที่น่าภาคภูมิใจมันอยากจะประกาศนะอยากจะบอกนะว่าฉันทำดีฉันช่วยคนนั้นคนนี้โดยเพราะอยากจะให้คนที่ตัเองช่วยเนี่ยเขารับรู้ว่าเนี่ยฉันมาช่วยเธอนะหลายคนมีความทุกข์มากนะทดีแล้วไม่มีคนเห็นนะทําดีแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราหรือทําดีแล้วเนี่ยเาไม่สำนึกในบุญคุณของเรา แต่ว่าแม่บ้านกลุ่มนี้นี่เขาไม่มีความคิดแบบนี้เลยอาจจะเรียกว่าเขาต้องการทำเพื่อถ้าพูดแบบภาษาชาวกูคือลดอัตราก็ได้นะไอการทำแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการลดอัตราแบบหนึ่งนะก็คือทำโดยไม่ประกาศทำโดยไม่บอกแม้จะเป็นสิ่งที่ดีน่าภาคภูมิใจและที่ไม่ปราถนาคำชื่นชม การรับรู้หรือคําสรรเสริญของผู้คนได้เนี่ยมันก็แสดงว่าแม่บ้านกลุ่มนี้เนี่ยนะก็มีความสุขจากการให้คือแค่ให้แค่ช่วยเนี่ยก็มีความสุขละไม่ต้องการคําชมไม่ต้องการคําสรรเสริญนะหลายคนเนี่ยต้องการคําชมต้องการคำสรรเสริญเพราะเอาความสุขไปผูกติดอยู่กับ การกระทำเหล่านั้นแต่ว่าบางกลุ่มนี้เนี่ยแค่ทําความดีได้ช่วยเหลือใครเห็นเขามีความสุขแม้จะมองจากที่ไกลๆเนี่ยก็มีตัวเองก็มีความสุขแล้วพอมีความสุขจากการทําความดีนะมันไม่เรียกร้องนะมันไม่สแสวงหาคําชื่นชมสรเรเสริญจากคนอื่นถาาว่ายัง แสวงหาคำชื่นชมคำาสรรเซิรินจากคนอื่นนี่ก็แสดงว่ายังไม่มีความสุขนะจากการทำความดีอย่างแท้จริงและเพื่อเห็นนั้นเนี่ยพอทำแล้วไม่มีใครรู้โดยพาะคนที่เราช่วยแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ก็ยึ่งมีความทุกข์นะโอยหาความสุขจากการจากคาชมคำนสรรเซิรินเพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วย ทำให้อัตตาฟูอัตตาพองนะสําหรับชาวโลจนี่ก็เป็นความสุขแต่ว่าแม่บ้านกลุ่มนี้นี่ถึงแม้ไม่ได้เป็นชาวพุทธนะแต่ว่าสิ่งที่ทํานี่ก็มันเป็นเรื่องที่น่าสะรเสริญนะเพราะว่านอกจากเป็นการแสดงถึงความที่ไม่มีอัตตาหรือไม่อัตตาน้อยนะไม่ต้องการให้คนมาชื่นชมสารเสริญไม่ต้องการให้คนมา อวยพรหรือว่ารับรู้เนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าอัตราเนี่ยเล็กน้อยนะและย่างแสดงว่าเนี่ยเามีความสุขกับกันได้ช่วยคนอื่นพอถ้าไม่มีความสุขนะก็คงอยากจะประกาศให้ใครต่อใครรู้ยิ่งสมัยนี้ก็ต้องประกาศทาง Facebook หรือไม่ก็ไปพูดให้ใครชมและถ้าไม่มีความสุขแนะ่คงจะทำไม่ได้ถึง30ปีนะ แต่ตอนหลังความแตกนะเพราะว่าสามีคนหนึ่งของแม่บ้านในกลุ่มนี้สังเกตนะไอ้รถเนี่ยมันมีการใช้บ่อยนะดูจากจำนวนหลักจำนวนกิโลจานวนไม้เนี่ยไอ้ทำไมรถมันใช้บ่อยนะฉันก็ไม่ค่อยได้ขับอะไรเลยแต่าทาไมนะมันมีการใช้รถเนี่ยนะจำนวนไม้มันเยอะนะเดือนนึงเดือนหนึ่งเนี่ย ก็เลยคาดคั้นเอาความจริงนจากภรรยาทีแรกสงสัยภรรยานี่ไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่านะตอนเช้าเช้าเช้ามืดนะไปมีผู้ชายคนใหม่หรือเปล่านะแต่พอรู้ความจริงเข้านะโอไม่แค่ไม่ใช่แค่โกคอย่างเดียวนะยินดีด้วยนุโมทนาด้วยและต่อหลังก็ร่วมกันน ะ, ะช่วยกันเลยนะทั้งสามีทั้งภรรยาต่อไปลูกก็มาร่วมด้วย ลูกบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ทําเค้กออนไลน์ทําขายไปเลยนะขายแล้วยังไงเอาเงินเนี่ยมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากขึ้นอันตอนหลังก็ได้เงินมาเยอะจากการทําเค้กออนไลน์ขายตอนหลังก็ไปช่วยนะศูนย์พักพิงสําหรับผู้หญิงที่ถูกผู้ชายทําร้ายหรือช่วยบ้านพักคนชาราแต่ก็ยังช่วยแบบเงียบๆ เ, เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เรียกว่าความดี ก็มีกําลังมากขึ้นนะเป็นการปิดทองหลังพระที่น่าสรรเสริญมากเพราะว่าไม่ได้ทําแค่วันสองวันเดือน2เดือนนีแต่ทําเป็นปีและทําด้วยจิตที่พร้อมจะให้นะจิตที่ไม่ปรารถนาการทําชื่นชมสรรเสริญอย่างที่นะทางพระเราเรียกว่าเนี่ยปิดทองหลังพระนะอันนี้พวกเราเนี่ยนะน่าจะทําแบบนี้บ้างนะเวลาทําความดีนะก็ไม่ประกาศ เดีย๋ยนี้เวลาจะทําความดีอะไรเช่นจะถวายเงินจะถวายสังกทานหรือจะมาปฏิบัติธรรมนี่มักจะให้มีการถ่ายรูปนะไม่ใช่ไปดูเองนะแต่เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเนี้ฉันมาทําความดีนะบางทีอาจจะพูดแบบเนียนว่าเนี่ยบอกเพื่อจะได้มาร่วมมนุโมทนาด้วยแต่ว่าจริงๆลึกๆเนี่ยอาจจะอยากจะให้คนต้อชื่นชมสรรเสริญนะอยากจะได้รับความาชื่นชม อยากจะให้คนรับรู้อันนี้มันกอ็อาจจะไม่ใช่เป็นการขัดเกลาร์ที่ดีนักแต่ถ้าเราลองขัดเกลาวไประเภทว่าเนี่ยทำความดีแล้วไม่ประกาศให้ใครรู้ทำเงียบๆไม่ว่าจะมาบริจาคเงินถวายสังฆทานหรือมาปฏิบัติธรรมหรือไปเป็นจิตอาสาทำแบบเงียบๆไม่บอกใครใหม่ๆ ม, มันก็อึดอัด น, นะเพราะว่าอัตตาเนี่มันจะประกาศนะ มันอัดอันตันใจอยากจะประกาศนะให้โลกรู้อยากจะโพสขึ้น f a c e b o o นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝึกให้เราเนี่ยสามารถจะมีใช้ชนะหรืออัตตากำราบอัตตามันได้นะและสุดท้ายใจเราก็จะเบาและถ้าเราเปิดใจอย่างแท้จริงก็จะพบว่าแค่ทำดีก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมีใครมารับรู้นะทำดีไม่มีคนเห็นฉันก็ยังมีความสุขเพราะได้ทาความดี ได้ช่วยเหลือคนนะถ้ามาถึงจุดนี้ก็ถือว่าได้เป็นการปฏิบัติธรรมที่พัฒนาขึ้นนะเป็นภาวนาแบบหนึ่งนะที่เราน่าจะอาลองฝึกทำกันจนนะเป็นนิสัยนะแล้วเราจะได้พบกับความสุขจากการให้ว่ามันดีนะกว่าความสุขจากการชื่นชมสรรเสริญหรือซึ่งเป็นโลกธรรมที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้